อย่างอาบเหนื่อต่างน้ำเป็นของชอบทำได้มาโดยทำเธอจัดการรักษาคุ้มครองพวกกระซับเหล่านั้นโดยพิจารณาว่าทำอย่างไรราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบโภค่เหล่านี้ของเราเสียพวกโจรไม่พึงลักไปเสียไฟไม่พึงไหม้เสียน้ำไม่พึงพัดพาไปเสียทายาติอัปรีจะไม่พึงเอาไปเสีย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 หรือประโยชน์ล้ำเลยตาเห็นคือศรัท ธ, ธาสัมปทาสีลสัมปทาจาระสัมปท า, า, าและปัญญาสัมปทาสำหรับธทมอันเป็นไปเพื่อสัมปรายกถา4ประการนี้ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่18ชีวิตและกุณธรรมพื้นฐานของอารยชนตอนว่าด้วยกุณสมบัติของบุคคลโสดาบันซึ่งอยู่ในหลักอารยวัตรหรืออริยวัต5ประการ คือศรัทธาศีล ส, สุตตะจาคะและปัญญา